เทศอบรมพระในคืนวันที่สองมีนาคมพศ2510ณวัดป่าบันตา จ, จังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนพวกเราเป็นผู้ปฏิบัติใกลคิด พระพุทธศาสนาปลูให้ได้ทำตัวของเราให้ได้รับผลประโยชน์จากความใกล้คิดที่มีต่อพระศาสนาจริงๆอยากให้เป็นทานองนิทานอิศก ที่นำมาสอนเด็จสมัยเรียนสมัยก่อนที่สุกจะได้ผ่านทุกคนในนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องย่อๆแต่มีเนื้อความที่สาคัญสำคัญเป็นเครื่องเทียบเคียงกันกับพระศาสนาได้ดีคือเทียบเคียงตัวของเรา กับสิ่งดีชั่วได้อย่างดีในเนื้อหาของนิทานนั้นมีอยู่ว่าไก่แก้ตัวหนึ่งเที่ยวคุ้ยเขียหาอาหารไปพบรอยเม็ดหนึ่ง น, นามดีมีค่ามาก จึงพูดโปรยขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเขาเช่นนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหงเหรียนตามเดิมแต่นี้เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราสู้เข้าสู่เข้าสารนิดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็พูเกลียเลยไปในแปลงดีแล้วก็สรุป เนื้อความอย่งนิทานนั้นว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้ที่รู้จักใช้เท่านั้ น, นอะไรเล่าเป็นเพชรเป็นพลอยอะไรเล่าเป็นขราสุกขาขสารอันนี้เป็นไปตาม ประเภทและจารีตของสัตว์ที่จะเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นประโยชน์สําหรับตัวข้อเกียบเคียงนี้ก็ยังไม่เป็นความเสียหายสําหรับสัตว์ที่มีวิสัยจะต้องถือสิ่งนั้นๆเป็นประโยชน์สําหรับตัวเนื่องจากว่าที่อยู่อาศัยอาหารการกินของสัตว์ กับมนุษย์มีความแตกต่างกันฉะนั้นความนิยมในรถอาหารหรือประเภทของอาหารจึงมีแตกต่างกันอยู่บ้างดังที่ไก่แก่ซึ่งเป็นนิทานผ่านได้อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่นี้แต่เมื่อเทียบ กับมนุษย์ของเราผู้ที่มีความรู้สึกดีชั่วอันแตกต่างจากสัตว์แล้วนั้นรู้สึกว่ามนุษย์ของเราจะมีส่วนเสียเปียกสัตว์อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยคือสัตว์ของเห็นเพชพรพลอยไม่เป็นประโยชน์สําหรับเขาจริงแม้เขาจะประทําอะไรก็ไม่เป็นประโยชน์สําหรับเพชพรพลอยนั้น แต่ข้าสู่ข้าวสารนั่นเป็นประโยชน์สำหรับสัตว์ประเภทที่นิยมเข้าสู่ข้าวสารเป็นอาหารจริงสัตว์ที่มีผลไม้เป็นอาหารผลไม้ก็เป็นประโยชน์สำหรับสัตว์ประเภทนั้นสัตว์ประเภทใดมีวัตถุสิ่งใดเป็นอาหารมีความนิยมมาตามกำหนดของเขา สิ่งนั้นๆก็เป็นอาหารและสำเร็จประโยชน์ให้สัตว์ได้ตลอดมาแต่การอ้างนิทานเรื่องนี้มานั้นเพื่อเป็นการสอนมนุษย์มนุษย์ของเราโดยตรงไม่ได้เป็นการตำหนิสัตว์ที่มีนิสัยผิด ก, กันกับมนุษย์เราซึ่งจะให้นิยมเหมือนกันอย่างนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แต่มนุษย์ของเราเป็นผู้รู้จักดีชั่ว ทุกสิ่งผิดกับสัตว์เรียกว่าเป็นคนละโลกแม้จะอยู่ในโลกแผ่นดินอันเดียวกันก็ตามดังนั้นนิทานนี้จึงเป็นการตำหนิมนุษย์ของเราผู้ที่รู้จักดีชั่วแต่ไม่สามารถจะหาสิ่งที่ทดีและชั่วสิ่งที่ดีและแก้ไขสิ่งที่ชั่วได คำว่าเพร็รพลอยในสถานที่นี้ก็หมายถึงความดีส่วนสิ่งที่เป็นค่าศึกอันเป็นธรรมชาติก่อเรื่องให้บุคคลได้รับความผิดพลาดและความทุกข์ความลำบากแต่ตนเองมาเรื่อยเรื่อย นับตั้งแต่ดึกดำบรรณไหนๆมาจนกระทั่งถึงวัดนี้และจะเป็นไปอีกเช่นนี้เป็นเวลานานานั้นนั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยของมนุษย์ผู้มีความรู้สึกดีชั่วจะมีความสนใจใ่ดีและถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษซึ่งควรจะทเยอทยานจนลืมเนื้อลืมตัวแต่ถ้าเทียบไปทางไก่แล้ว ว่าเป็นเข้าสูตรข้าวสารแต่นั่นเป็นเครื่องสำเร็จประโยชน์สำหรับไก่ได้แต่จิงที่ชั่วชาลามกทั้งหลายอันมนุษย์ทั้งหลายติเตียงนี้นี่ไม่เป็นประโยชน์สาหรับมนุษย์แต่ผู้ที่เห็นเพชพรพลอยซึ่งเป็นของดีนั้นว่ารายเป็นของเจแต่เห็นสิ่งที่ เก๊กเหล่านี้ว่าเป็นของดีมีทันเรียกว่าเป็นผู้ที่เสียเปรียบสัตว์มากมายถ้าจะพูดถึงเรื่องความฉลาดแล้วมนุษย์เราโง่กว่าสัตว์ตอนนี้พูดถึงนักบวชแล้วเราก็โง่กว่ากิเลสทัญหาอาสวะซึ่งรวมแล้วเรียกว่าสิ่งก่อเหตุจะทำให้เราชั่ว เราเสียเปียบตลอดเวลาทาั้งๆที่อาศัยหลักธรรมะคำต่องสอนของผู้ได้เจ้าซึ่งเป็นอุบายวิธีที่ฉลาดแยบคายมากเป็นอุบายที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษเมื่อผู้สนใจไปประพฤติปฏิบัติตามนำไปประพฤติปฏิบัติแต่กลับรงกันข้างรายไปเสียว่าเพชรพลอยไม่เป็นประโยชน์ สู้สิ่งที่โลกตาหนิกันว่าไม่ดีนั่นไม่ได้เพราะเราก็ตาหนิว่าไม่ดีแต่ก็อดที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีให้แสดงผลเดื อ, รอดร้อนแก่ตนไม่ได้คำว่าธรรมะถ้าเทียบทางด้านมัตุก็คือ สิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในที่โลกนิยมกันก็คือพวกเพชรพกปลอยเป็นต้นเรากล้าเข้ามาสู่วงหรือสู่กองแห่งเพชรพลอยได้แกหลักธรรมของพระพทรุทธเจ้าควรจะพยายามตักตวงเอาให้เต็มสติ ก, กำลังของเรา ในเวลาที่เรามีโอกาสเช่นนี้หากว่าได้ผ่านโอกาสนี้ไปแล้วเราจะหาโอกาสที่ ท, ที่ไหนอันเป็นความแน่นอนเหมือนอย่างเวลาปัจจุบันนี้ไม่มีความแน่นอนความรับประกันไม่ได้มีจากที่อื่นนอกจากมีอยู่กับโอกาสที่กำลังให้อยู่เราอยู่เวลานี้เท่านั้น หนึ่งความเป็นผู้มีชีวิตรู้สึกว่าตนเป็นผู้มีชีวิตอยู่สมรรถภาพคือความสามารถความรู้ความฉลาดทั้งทั้งด้านกําลังทั้งทา ง, ทงด้านความคิดสติปัญญาของเรามีพอที่จะเป็นเครื่องมือส่อเสถียหาสิ่งที่มีคุณค่าดังกล่าวนี้ได้ ตามกำลังของเราของเวลานี้เป็นเวลาที่เราตั้งหน้าปรับพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธมามะกะหมายถึงพระพุทธเจ้าทำมมะมกะสังขมามะกะ พระธรรมพระสง์เป็นสมบัติอันล้นค่าของเรานี่คือเพชรพลอยอันล้นค่า 3. โรคภยครัยไข้เจ็บหรืออุปสรรคอื่นๆที่จะมาขัดขวางการดำเนิน เพื่อสิ่งที่มีคุณค่านี้ก็ไม่มีหากจะมีบ้างก็เป็นธรรมนาที่อยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยประปศักดภายในตัวของเราของท่านด้วยกันจะผ่านอันนี้ไปโดยไม่ให้มีเลยนั่นเป็นไปไม่นานี่เราท่อมูลด้วยโอกาสทั้งสามนี้แล้วแล้วเราจะหาความแน่นอนจากที่ไหนให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกในการที่จะสอะแสวงหา สิ่งที่มีคุณค่ายิ่งสําหรับเราในชาติที่มีความแน่นอนคือชาติมนุษย์นี้เป็นชาติที่รับรองในคุณสมบัติและหรือเป็นภาชนะที่ดีเยี่ยมสําหรับจะรับรองการปฏิบัติธรรมคำอสอนของพอระโพธิจาทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้แล้วเราจะหาความแน่นอนไม่ได้ ถ้าเราเอาความแน่นอนจากความเป็นมนุษย์เพื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้เราจะหาความแน่นอนจากอะไรเราจะหาความแน่นอนในวันนี้ไม่ได้เราจะหาความแน่นอนจากวันใดเราถ้าเราหาความแน่นอนไม่ได้ในเดือนนี้ปีนี้เราจะไปาหาความแน่นอนมาจากเดือนใดปีใดซึ่งรวมแล้วก็มีมืดกลับแจ้งอันเดียวกัน และเราเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในศูนย์กลางแห่งความมืดกับแจ้งและในศูนย์กลางแห่งชีวิตของเราเท่านั้นนอกจากนี้ไปแล้วไม่มีจุดหมายปลายทางที่จะเป็นความแน่นอนให้เราได้บำเพ็ญคุณงามความดีเต็มสติกำลังความสามารถเพราะไม่ยินที่ใดไม่เห็นที่ใดว่านอกจากอัตภาพมนุษย์นี้ไปแล้วจะเป็นที่เหมาะสมที่สุดในการบำเพ็ญกุญงามความดี และคนตายแล้วจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในการประพฤติคุณงามความดีหนังนี้เป็นต้นเมื่อเป็นฉะนั้นก็มีความแน่นอนอยู่ในสามข้อซึ่งรวมอยู่กับตัวของเรามีแล้วอย่างสมบูรณ์เท่านั้นไม่มี พระพุทธเจ้าท่านสา ะ, ะแสวงหาของดีจริงและเห็นของดีดคุณค่าจริงแต่เทียบภาวะเพชรมาปลอยเป็นของทรงคุณค่าไว้ตลอดมาแล้วสามารถยังสมบัติที่มีคุณค่ามากนี้ให้มาเป็นสมบัติอันล้นค่าของพระองค์ได้แกจกจ่ายแก่พุทธบริษัท ไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ไม่หมดสิ้นจนป่านนี้นี่ถ้าว่าของไม่มากของไม่ไม่มีคุณค่าเหตุใดจะสามารถยังผู้บำเพ็ญให้ถึงความเป็นผู้มีคุณค่ามากนะ และจะแจกจ่าย ใ, ให้บุคคลอื่นได้ทั่วถึงและเป็นของที่ทรงคุณภาพตลอดมาจนถึงบัดนี้ต้องจิดจางไปหากเป็นของไม่จริงนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้เรานะ่พยายามวินิจฉัยตนเองแค่ไหนเวลานี้ หรือเรายัางเห็นว่าชาติหน้าพบหน้าอัตภาพหน้าเดือนหน้าปีหน้ายังดีกว่าขณะ น, นี้เวลานี้ชาตินี้เดือนปีนี้เดือนนี้ไปอีกถ้าคิดเช่นนั้นแล้วก็ชื่อว่าคนหาความแน่นอนหรือหลักเกณฑ์ใส่ตัวเองไม่ได้และหาความแน่นอนจากหลักธรรมะไม่ได้อีกเหมือนกัน เพราะหลักธรรมะแสดงความจริงลงที่กายวาจาใจของมนุษย์เราเพราะนี้เป็นภาชนะที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ด้วยการปฏิบัติในความเป็นมนุษย์นี่แหละถึงความเป็นพระพุทธเจ้าคือบริสุทธ์พุทธโธขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กล่าวว่าก็ปรากฏขึ้นมาใน ท่ากลางแห่งอวัยวะนี้เหมือนอย่างดอกบัวที่แย้มบานออกมาในทํากลางน้ำความรู้สึกของเราโดยมากที่เป็นไปอยู่ใน อิริยาบถทั้งปวงนั้นจะมีความรู้สึกในเพชรพลอยคือธรรมะนี้น้อยที่สุดแต่จะคิดไปในสิ่งที่หาสาระแก่นสารไม่ได้และให้โทษแก่ตัวทุกๆขณะที่คิดที่ทำที่พูดนั้นมากกว่านี้เป็นไหนไหน ในียบบทหนึ่งเพราะนิสัยของจิตเคยได้เดินตามทางสายนี้มาแล้วเป็นเวลานาะนนี่แหละชื่อว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แต่จิตกลับชอบและสะแสแเวงจึงได้พบแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาภายในใจทุกๆวันนั่งยืนเดินนอน ประสบพบตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะในหลักธรรมชาติของจิตจริงๆแล้วจะมีการสร่องแสงหาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างนี้โดยไม่รู้สึกตัวเพลินก็เลินเกินตัวกลัวก็กลัวเสียจนไม่มีหลัก กล้าก็กล้าจนหน้าเกลียดกล้าจนหน้าเบือ่อ<ม>คือคนประสจากหลักเหตุผลย่อมเป็นคนไม่พอดีเสมอไปไม่ว่าจะแสดงออกมาทางมารยาทคือทางกายทางวาจาและคิดออกมาทางใจจะไม่มีความพอดีแฝงออกมาในบุคคลผู้เช่นนั้นเลย แล้วเราจะหาความพอดีเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจของเราได้ที่ไหนเมื่อทั้งวันทั้งคืนก็มีการคุ้ยเคียหาแต่สิ่งที่เป็นสาระแก่นสารและเขาผลานตัวเองทางํามเราจะไปตาหนิอะไรว่าไม่ดี แลวเราจะไปชมอะไรว่าดีหลักธรรมะเป็นความจริงทรงคุณภาพอยู่แล้วโดยสมบูรณ์หากว่าเราได้แอบแฝงจิตซึมซาบเข้ากับหลักธรรมแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีหลักรสชาติแห่งธรรมก็จะแทรกสึงแทรกแรกสิงเข้าที่ดวงใจพอให มีเวลาปรงวางลงบังบัรดาภาะซึ่งเคยกดถ่วงจิตใจมาด้วยความรู้จักประมาณของตนภาะเหล่านี้จะได้เบาลงบางและจะได้เห็นทั้งคุณแห่งสิ่งที่มีคุณค่าและเห็นทั้งโทษในสิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นคุณมาแต่ก่อนเป็นลำดับ และจะมีช่องทางที่จะแก้ไขดัดแปลงตนเองจากสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีนั้นและมีทางที่จะส่งเสริมสิ่งที่ดีให้มีกำลังมากขึ้นในอียบบททั้งสี่ของเราก็จะมีที่ปรงที่ว่างภาละซึ่งเคยกดถงจิตใจ กลายเป็นคนเบาในอยาบททั่วๆไปภายในจิตใจของตนไปเรื่อยๆจนสามารถกดเปลื้องภาระออกได้หมดในยาบททั้งสี่จะไม่มียาบทใดมีภาระกดท่วงจิตใจให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรจะร้อนโลกไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลรวมกันแล้วท่านเรียกว่า โลกใครจะร้อนใครจะยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ผู้ไม่ได้สั่งสมสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายจะเป็นผู้เย็นภายในตัวเสมอในเอียบุตรทั้งปวงแกจะเข้าไปแทรกแซงดุ ก, กับคนหรือสัตว์จำนวนมากๆซึ่งเต็มไปด้วยความเดือดร้อนแต่ตัวเองจะเป็นผู้มีความเยือมเย็นภายในจิตใจอยู่ ในบุคคลและสัตว์จําพวกนั้นจะไม่มีอะไรซึมซาบเข้ามาและจะไม่มีความเดือดร้อนบุญมายของใครของสัตว์ตัวใดซึ่งเขากําลังสวยอยู่ซึมซาบเข้ามาถึงจิตใจของเราให้รับความเดือดร้อนไปด้วยเพราะเราไม่มีสาเหตุในถังนั้นเนื่องจากได้ถูกกําจัดปัดเป่าออกไปหมดแล้วเหลือแต่ความดีเด่นไปที่ไหนก็ ทบ า, ายนี่คนมีเพชรมีพลอยไ ป, ไปประดับใจคือหลักธรรมะเป็นอย่างนั้นเวลานี้เรากําลังสาอสแสวงหาเพชรพลอยอันเป็นหลักธรรมะซึ่งทรงคุณภาพไว้อย่างสมบูรณ์เป็นเครื่องประดับใจประดับกายประดับวาจาตรงเห็นว่าเป็นของมีคุณค่า อย่างนั้นเสมอไปอย่าให้ความรู้สึกอันนี้ได้เสื่อมคลายลงไปจิตจะกลับกลายไปยึดเหนี่ยวในสิ่งที่ไม่เป็นท่าเป็นถามแล้วนำสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นเข้ามาฝังภายในจิตใจตัวเองจะกลายเป็นคนไม่เป็นท่าดูที่ไหนก็ไม่เป็นท้า เป็นคนล้มละลายความหมายในชีวิตไม่ก็ไม่มีความหมายในหมายในความเป็นอยู่ในยบบทหนึ่งหนึ่งก็ไม่มีว่ายบบทใดจะเป็นที่รื่นเริงบันเทิงจิตใจสะดวกสบายพบใดชาติใดจะเป็นที่สะดวกสบายจะเป็นไม่เป็นคนหมดความหมายทั้งพบทั้งชาติหมดความหมายทั้งอนาคตที่จะเป็นนาข้างหนา้าเพราะปัจจุบันไม่มีความหมายแล้วในบุคคลล้มละลายนัน เราต้องการคนประเภทไหนเราเป็นผู้มีความสามารถจะเลือกเฟ้นตนเองได้เพราะหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องเจรไนหรือเครื่องมือที่จะแก้ไขดัดแปลงตนให้เตะไปสู่จุดหมายปลาทางที่ตนประสงค์เป็นชั้นๆขึ้นไปมีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดบกพร่องขาดเลยนอกจากจะขาดเพืนจะสนับตัวของเราผู้ที่จะบำเพ็ญไปตามหลักธรรม ที่ขี้บอกแนวทางว่าทงนั้น ừ, ที่ในนำนิทานไก่แจ้มาอธิบายให้บรรดาท่านผู้ฝังท่าหไหทราบก็เพือจะให้ทราบว่ า, าเรานี่เขาในลักษณะอะไรถ้าว่าเขาในลักษณะไก่แจ้เขายังมีผลที่จะ อย่างชีวิตของเขาให้ได้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งได้ด้วยเข้าสุขเข้าสารแม่เขาจะไม่เห็นเพชรพลอยว่าเป็นประโยชน์แต่เขาก็ไม่เสียประโยชน์ในชีวิตของเขาที่เป็นไปในวันหนึ่งแต่เราไม่เห็นเพชรพลอยเป็นประโยชน์ด้วยและทําความเดือดร้อนแก่ตนขาดทุนปนพี้ไปทุกวั น, ท, วนทุกวันด้ว ย, วยอย่างี้ตอนนี้ เร็วกว่าสัตว์เร็วได้ในตอนนี้คนเราถ้าไม่เห็นตัวเองมีคุณค่าแล้วก็เป็นว่าเป็นคนหมดราคาเห็นสิ่งอื่นๆ่นนอกจากหลักใหญ่คือตัวของเรานี่ว่าเป็นคุณเป็นของมีคุณค่าคนนั้นเป็นคนหลงโลกเทินก็ลืมตัว จนไม่รู้จักประมาณไม่ดูฐานะไม่ดูความรู้วิชาของตัวไม่ดูวัยของตัวไม่ดูสถานที่การบุคคลไม่รู้จักนีแต่เพินท่าเดียวเพินจนลืมตายขอให้ได้ยังใจชอบก็แล้วกันจะขอไปสักถึงวันตายก็ตาม จะให้ได้อย่างใจชอบนั้นจะไม่มีนอกจากจะเป็นไปเหมือนอย่างไฟได้เชือ้อมีเชื่อเท่าไรก็ไม่ไปจนไม่มีอะไระเหลยแหลกเหลวป่นปีทรัพย์หมัดเงินทองมีมากมีนอ้อยความเพลิดเพลินเกินจนเกิ น, น, น, น, น, น, นตัวราอความโง่เขลาบาปัญญาหาขณะหรือเวลาที่จะยับยับ้งตัวเองไม่ได้นั่นแหละจะเป็นเครื่องสังหาร ให้กลายเป็นบุคคลที่ร่มร่อนาปราศจากหลักธรรมะแล้วท่องเป็นอย่างนั้นคนที่มีหลักธรรมะก็เหมือนอย่างม้าที่มีบางเหียยมีรรถที่มีเบรควรจะรอก็ได้เพราะเครื่องของรถมีสมบูรณ์ ที่จะควรให้เร่งควรให้รอหรือควรให้หยุดผู้ขับขี่รถจะต้องเป็นคนรู้จักวิธีปฏิบัติต่อเหตุการณ์ซึ่งควรจะเร่งควรจะรอหรือควรจะหยุดผู้ปฏิบัติต่อตอนเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ใช่จะมีเร่งไปในคน หาจุดหมายปลายทางไม่ได้และไม่คํานึงถึงว่าการเร่งนั้นมีผลประโยชน์อะไรบ้างเร่งไปเพื่ออะไรการรังรง ร, งรอรอรออะไรมีเหตุผลอย่างไรบ้างการหยุดหยุดเพื่ออะไรมีเหตุผลอะไรบ้างโหปฏิบัติต่อตอนเองต้องทราบหมดในเหตุการณ์ทั้งสามนี้ซึ่งควรจะปฏิบัติ ต่อเหตุการณ์ใดให้พอเหมาะสมกับประสบการณ์ที่จะมาปรากฏแก่ตัวเองนี่ชื่อว่าผู้จะเป็นผู้ดำรงตนไปได้โดยราบรื่นแม่จะเป็นคนไม่ฉลาดมากนะก็เป็นคนนี้หละ จะเป็นคนไม่มั่งมีก็เป็นคนไม่เสียหลักหากจะเป็นคนจนก็มีคนรักคนสงสารผิดกันกับบุคคลที่มั่งมีไปเที่ยวโดยไปจะหากอบโวยของเข้ามาไม่ได้โดยซึ่งไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนเจ็บใจของคนอื่นคนประเภทนี้จะมีมากเท่าไหร่ก็ คือว่าทาความเดือดร้อนแก่โลกเขามากเท่านั้นแล้วตนจะหาความสุขที่ไหนจากการเอาความเดือดร้อนไปทิ้งให้คนอื่นความไม่มีหลักธรรมะเป็นอย่างนี้เแม้จะมั่งมีสีสุขตามโลกนิยมก็ตามแต่ว่าโลกคําม่นิยมในความมั่งมีเพราะการขูดรีด การกดขี่บังคับการคดการโกงของคนอื่นมาเพื่อความมั่งมีสีสุขแต่ความมั่งมีสีสุขซึ่งโลกนิยมลืดธรรมะเห็นชอบด้วยมันเกิดขึ้นจากการประกอบการงานที่ชอบได้มาด้วยสัมมาอาชีพ โลกก็เย็นมีคนฉลาดมากคนโง่ก็ได้อาศัยมีคนมั่งมีมากคนจนก็ได้อาศัยหากตรงกันข้ามแล้วมีมากเท่าไรก็ยิ่งทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายไปทุกแห่งทุกคน เรื่องความเป็นผู้ปลกใจหลักธรรมะเครื่องยับยังย่อมจะทําความเดือดร้อนแก่ตนเองและคนอื่นได้อย่างที่หวังเรื่องความเพลิดเพลินนั้นมีอยู่ประจำใจความเศร้าโศกก็มีความดีใจเสียใจชื่อว่าคน สามันที่มีกิเลสแล้วจะต้องมีสิ่งอย่นี้เป็นเจ้าเรือนแต่ถึงจะมีก็ตามก็จะให้เลยความงามแห่งพลำเมืองดีไปก่โรคประชงเราผู้จะเป็นสารถีขับตัวเอง เช่นเดียวกับเขาขับรถเราจะปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรบ้างจึงจะพอเหมาะพอควรงามทั้งทางน อ, อกงามทั้งทางในสุขทั้งใจไม่เป็นความเดือดร้อนจัด ต, ต้องให้ใกล้คิดกับเข้มคิดคือธรรมะเสมอ อย่าปล่อยให้ความทะเยอทะยานอยากเข้ามาย่ำยีจิตใจของเราจนทำใจให้รั่วทำใจให้เหลวทำตัวของเราให้เสียเพราะความที่เห็นสิ่งภายนอกมีคุณค่าก่าตัวเองก็แล้วกันหากเห็นสิ่งภายนอกมีคุณค่ากับใจแล้ว ใจจะต้องกลายเป็นบ่อยของสิ่งนั้นๆโดยไม่ต้องสงสัยเราจะเสาะแสวงหาทรัพสมบัติใรล้ไกลามากน้อยหามาเพื่อเป็นความสุขความสบายทางร่างกายและจิตใจเท่านั้นแต่ไม่ได้หามาเพื่อเป็นการย่ายีจิตใจของเราให้ชอกทําหรือเสียไปสมชื่อว่าเราเป็นผู้ฉลาด ร, รักษาตัว นในหลักปฏิบัติของผู้ปฏิบัติจริงๆโปรดได้คำนึงถึงความคิดปรุงของตอนเองว่าความคิดประเภทใด จ, จะเป็นการเสาะแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษเข้ามาสังหารตนเองให้ระมัดระวังเข้มงวดตรวจคันทางเข้าออกของกิเลสปัญหาอาสวะนั้นก็คือขันหานี่หลขันห้าไม่ใช่กิเลส แต่เป็นเครื่องมือหรือเป็นทางเข้าออกของกิเลสปัญหารูปเป็นเครื่องมือได้คนทำชั่วทำดีได้เพราะกายเมทนาก็เป็นทางเดินของดีและชั่วด้ะ ความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราทําความเดือดร้อนไม่รู้จากการพิจารณาเรื่องทุกข์ก็กลายเป็นการเสริมสมมุติฐานให้มีความนี่กลายเป็นความชั่วหนักขึ้นไปอีกเพิ่มพูนขึ้นอีกก็นด้สัญญาสังขารลิญญาแต่อะไรอย่างไรหากเราจะเสริมให้ใหคิดให้จําไปในสิตให้ เ, เป็นประโยชน์วันยั่งคำ้ำวันยั่งคําจะได้แต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากองในหัวใจ สมบัผลเป็นความเดือดร้อนท่าเดียวสิ่งเหล่านี้คิดแล้วก็ผ่านไปผ่านไปแบ่ลงไปล่วงไหลลงไปฝังอยู่ที่ใจใจเป็นผู้สวยัติผลกินรับความเดือดร้อนหากใจเป็นผู้ฉล า, าดแยกขันห้าไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะเป็นคุณแก่จิตใจของเราให้เลือกเฟ้น ทางเดินของตนเองอย่าเห็นแก่ว่าเป็นทางแล้วก็โดยเห็นแต่จะคิดชอบคิดอะไรก็คิดชอบทำอะไรก็ทำไปโดยไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักฐานนั่นเป็นความเสียหายแก่ตนทางานในโอกาสที่ดีเยี่ยมดังที่เราซึ่งเป็นนักบวชและนักปฏิบัติเช่นนี้เป็นโอกาสที่หายากสาหรับ ท่านผู้ยุ่งด้วยธุระต่างๆแต่เป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับเราโปรดให้ถือหลักของพระนี้เป็นปเป็นหลักประกันตัวการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างอย่าทิ้งอย่าทิ้งร่องรอยของพระไปร่องรอยของพระเริ่มมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าสาวก เป็นลำนับมาถึงดอกท่านดำเนินอย่างไรอย่าเอาความขี้เกียจมักง่ายเข้ามาเป็นทางเลยจะกลายเป็นหนามกั้นทางไปไม่หรอะความอยากจะเกิดขึ้นมากแค่ไหนให้ถือความอยากนั้นเป็นเป้เปาหมายที่พิจารณาแก้ไขกันลงให้นด้ด้วยหลักธรรมะ ความอยากจะไม่สามารถจะสั่งสมตัวเองขึ้นจนถึงกับผู้ปฏิบัติธรรมะเพื่อแก้ไขความอยากนั้นผ่านพ้นไปได้แต่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยหลักธรรมะที่มีความเพียรเข้าเป็นเครื่องสนักเสมอไม่กล้องสงสัยนี่หละหลักทางดำเนินของพระพระคือเป็นเพศที่อดทนหิวก็ตาม อิ่มก็าตางขาดตกบกพ่องในเครื่องบริการใช้สอยก็าตา่าร้อนมัง่งหนาวมั่งก็าตาไม่ถือมาเป็นอุปสรรคเครื่องดำเนินของพระทางธรรมะที่ท่านสอนไว้อย่างไรนั่นและเป็นทางของพระที่จะตั้งหน้าเดินโตไม่ถอยหลัง ชีวิตจิตใจของเราฝากไว้กับศรัทธาญาติโยมไม่เคยเห็นในประเทศไทยเราว่าผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะโดยเพศของพระนี้ได้ขาดตกบกพร่องที่อยู่อาศัยปัจจัยเครื่องช้ทุกอย่างจนกระทั่งถึงอาหารการถึงพบช และถึงกับล้มหายตายไปเพราะความคนอยากขาดแผอย่างนี้ไม่เคยปรับนอกจากจะทำตัวของเราให้เหม็นฟุ้งขจรไปทู้แผงลุกผลซึ่งใครๆก็มาปรารถนาที่จะมองอันนี้เป็นไปได้เพราะของที่ชั่วไม่ว่าใครๆย่อมไม่อยากเดียวเลยแม้แต่ติดกับตัวก็ยังต้องล้างทิ้งที่ไหนจะไปคว้าที่อื่นมาหอบพูนตัวเอง ไม่มีในนิสัยของมนุษย์เราที่รู้จักดีชั่วจะไปสนใจหรือติดพันกับสิ่งนี้เป็นผู้มีความกังวล น, น้อยจะอดบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นความกังวลในความอดด้วยความอิ่มความมีมากมีน้อยเพราะเรื่องของโลกเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนแต่ไหนแต่ไรมา แม้แต่น้ํามหาสมุทรก็ยังมีขึ้นขึ้นลงอยู่น้ําในห้วยหนองคลองบึงก็ยังมีขระ า, าเฉินเฉินเหมือนกันไปหมดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่จะสมบูรณ์อยู่ตลอดไปมีความบกพร่องรุ่มรุ่มตอนตอนเหมือนกันไปไหนเราผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่พิจารณาสิ่ง เหล่านี้จะอะไรเป็นทางเดินของพระเราอดก็ยอมรับอินก็ยอมรับขาตกบกพ่องเห็นตามสภาพความจริงของโลกไตรลักษณ์ผืออนิจจังทุกขังหน้าตาทั้งภายในตัวของหนอนรัศินเกี่ยวข้องแล้วดําเนินไปด้วยความรู้สึกตัววางตัวให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องหิวที่มาเกี่ยวข้องวางตัวลงให้ ถูกต้องกับจุดแห่งความหิวโดยหลักธรรมะแล้วจะไม่กระวนกระวายไม่ราสำราสายไม่ดินน้นรนเป็นคนสม่ำเสมอถึงอิ่มก็ไม่เพลิดเพลินจนลืมตัวมีมามากมาน้อยไม่ตื่นเต้นไม่หดหู่เพราะวางตัวโดยหลักธรรมะให้ถูกต้องกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอยู่แล้วตามปกติ จะอะไรมาตื่นเป็นไม่มีเรื่องของพระผู้ตั้งใจปฏิบัติต้องเป็นคนสม่ำเสมอไม่ ว, ว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ดีอะไรดีหมดเพราะเกิดขึ้นมาด้วยความชอบทมอยู่ไปอย่างสบายใช้ไปอย่างสบายหายกังวลขบฉันไปอย่างสบายหายความยุ่งหยกับอาหารการบริโภคไม่เป็นผู้ก่อกังวล ให้แก่ลิ้นแก่ปากและศรัทธายาดเดิมได้ครับความหนักใจนี่คือลูกของประทารฐาคก ต, ตำเนินมาอย่างนี้เมื่อตนก็เห็นอย่างนี้ตามหลักธรรมะและปฏิบัติอย่างนี้ตนก็วางตนกับสิ่งทั้งหลายได้ด้วยความสม่ำเสมอแล้วจะสอนคนให้เป็นผู้ดีไม่ได้ไม่มี ตหากว่าตนก็เป็นรุ่มๆุ่มดอนๆไม่สม่ำเสมอล้มลุกคูคขานจะสอนคนให้มีหลักมีเกณฑ์ให้เป็นคนเฉลียวฉลาดนั้นจะเป็นไปไม่ได้ mm hmm. เราเป็นคนเก้จะสอนคนให้ดีไม่ได้เราเป็นคนโง่จะสอนคนให้ฉลาดไม่ได้เราเป็นคนจนๆคนขี้เกียจขี้คร้านจะสอนคนให้มั่งมีและขยันหมั่นเพียรเป็นไปไม่ได้เราต้องเป็นเข้มทิศทางเดิน ของผู้ที่จะมารับการสอนเช่นพระพุทธเจ้าของเราพระซึ่งพาดำเนินมาก่อนเนี่ยพระองค์คงดำเนิ น, นสิ่งใงดพระองค์ไม่สามารถไม่นำมาสอนโลกสิ่งที่สอนโลกได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าสามารถอะไรทุกอย่างที่นำมาสอนเราเราจะนำออกสอนใครๆก็ตามผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา เราต้องพยายามสอนตัวของเราให้ได้ถ้าเราสอนตัวได้แล้วแสดงว่าเราก็มีสมบัติพอแจกจ่ายเราหาไม่ได้แต่เราจะนาสมบัติไปแจกจ่ายคนอื่นนั้นเราจะ อ, าอะไรไปแจกจ่ายเไม่มีทางขอให้พากันพิจารณาสมบัติอันล้นค่อคือเพชรพลอยดังที่ได้กล่าวมานี้คือความรู้สึกได้ใจใจของเราตรงนี้จงพยายามดัดแปลงให้ดี กรารกรองให้ดีวันหนึ่งวันหนึ่งให้กรารกรองอยู่เสมออย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าใจดวงนี้ใจดวงนี้จะกลายเป็นโมฆะเรยวไปหมดแล้ววิ่งเต้นเพ็นกระโดดไปตามสิ่งต่างๆจนไม่รู้จักยับยัง้งท้ายทิ้งจบเปล่า นั้นในเอาสารเห็นการแสดงทางก็เห็นสมคูรขอใหท้ทุกทุกท่านได้บำเพ็งนตนเต็มทัศก์กำลังความสามารถถ้าเห็นผลประจักษ์ใจในวันหนึ่งแน่นนจึงข อ, อยุติเพียงตรง